ตอนที่หนึ่งรอโจเจียนเย่เสียใจภายหลังจริงหรือเจ้ายุนชงวังหลีหวานลงอย่างระมัดระวังวันนี้เขามาที่โรงเรียนเพื่อดูคะแนนแต่ไม่เห็นเศร้าเหิงไม่รู้ว่าเจ้าตัวมาสายหรือว่าไม่ได้มาแต่การที่หลีหวานสอบได้คะแนนเช่นนี้เขาก็รู้สึกยินดีกับเธออย่างยิ่งโจเจียนเย่ยินอยู่ไม่ไกลนะักเขาได้ยินชัดเจนว่าหลีหวานสอบได้คะแนนเป็นอันดับหนึ่งเขามองลูกสาวคนนี้ด้วยสายตาที่ซับซ้อนในใจรู้สึกเหมือนได้สูญเสียอะไรบางอย่างไป หากเขาไม่หยา ก, กับหลีชิงผิงลูกสาวคนนี้ก็ยังเป็นลูกสาวของเขาและถ้าหลีชิงผิงคลอดลูกชายให้เขาอีกคนเขาไม่เพียงแต่จะมีโชคดีที่มีทั้งลูกชายและลูกสาวครบถ้วนแต่ลูกสาวของเขายังเป็นอัจฉริยะที่สอบได้อันดับหนึ่งของโรงเรียนในการสอบเกาข่าวอีกด้วยโจเจี้นเย่ยเพียงแค่คิดก็รู้สึกตื่นเต้นขึ้นมาแต่ไม่นานเขาก็สงบสติอารมณ์ลงได้เพราะในตอนนี้สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ของเขาแต่เป็นของเจิ้งหยุนฉงลูกสาวพ่อเก่งจริงๆริงโจจี้นเย่ยเดินเข้าไปหาพร้อมกับยิ้มและกล่าวให้กำลังใจ ลิวันเหลือบมองเขาแวบหนึ่งโดยไม่สนใจแม้แต่น้อยเธอหันไปโคลงแขนเจิ้งหยุนชงแทนพ่อคัดูคะแนนเสร็จแล้วเรากลับกันเถอะค่ะคุณปู่คุณย่าแล้วก็แม่รออยู่ที่บ้านปล่อยให้พวกท่านรอนานจะไม่ดีเจิ้งหยุนชงยกยิ้มที่มุมปากตกลงเรากลับบ้านกันเสี่ยหวานจะรีบปลอบไปทําไมวันนี้ต้องมีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยชื่อดังหลายแห่งมาแน่ๆควรจะคิดให้ดีก่อนว่าจะเข้าเรียนมหาวิทยาลัยไหนโจวเจี้ยนเย่เสนอความเห็น หลิวันเห็นเข้ามายืนขวางหน้าไว้ก็ต้องยอมรับเลยว่าไม่รู้ตั้งแต่เมื่อไหร่ที่โจเจี้ยนเย่ยคนนี้กลายเป็นคนหน้าด้านได้ถึงเพียงนี้หนูคิดไว้แล้วเขาว่าจะเข้ามาหาวิทยาลัยไหนไม่จําเป็นต้องให้คุณมาลำบากใจแทนหรอกแล้วคุณมาขวางทางหนูทําไมแวลาของเจิ้งหยุนชงเย็นชาลงโจเจี้ยนเย่ยคุณนึกว่าผมเป็นคนไม่มีปากเสียงหรืออย่างไรไม่ได้ยินที่ลูกสาวผมพูดหรือหลีกไปโจเจี้ยนเย่ยอาปากตั้งท่าจะพูดต่อแต่หลิหวานก็ถูกอาจารย์รั้งตัวไว้เสียก่อน เสี่ยววานเเพิ่งรีบกลับเลยคะแนนของเธอได้รับการยืนยันแล้วว่าเป็นอันดับหนึ่งของโรงเราตอนนี้ทางครูใหญ่กําลังรอประกาศแจ้งมาว่าคะแนนของเธอเป็นอันดับที่เท่าไหร่ของทั้งอําเภอความจริงแล้วเวลาที่ปิดประกาศรายชื่อคะแนนนั้นค่อนข้างช้าเพราะต้องรอแจ้งลำดับอย่างเป็นทางการแต่อาจารย์เห็นว่ามีคนในโรงเรียนมากเกินไปจึงต้องรีบปิดประกาศคะแนนออกมาเพื่อไม่ให้ผู้ปกครองและนักเรียนต้องรอนานเกินไปอาจารย์ที่พูดอยู่นี้คืออาจารย์ที่รับผิดชอบสอนชั้นมาหกห้องของหลี่หวาน ลิวันลังเลพลางมองไปทางพ่อของเธอนี่ต้องรอไปถึงเมื่อไหร่กันเจงหยุนชงพยักหน้าเบาๆเดี๋ยวพ่อจะให้คนส่งข่าวกลับไปบอกที่บ้านก่อนพวกเราก็รออยู่ที่นี่อีกสักหน่อยแล้วกันค่ะลิวันทำได้เพียงตกลงเธอสนแค่ว่าคะแนนของเธอจะเข้ามาหาวิทยาลัยการแพทย์ได้หรือไม่ส่วนเรื่องอื่นเธอไม่ได้สนใจนักแต่เมื่อเห็นท่าทางตื่นเต้นของอาจารย์บางทีอาจจะมีเรื่องประหลาดใจแถมมาด้วยก็ได้คุณคือพ่อของเสียหวานใช่ไหมครับใช่ครับ ใช่ครับเจิ้งหยุนฉงและโจเจี้ยนเย่ยตอบออกมาพร้อมกันทำเอาอาจารย์ถึงกับไปไม่เป็นเออนี่มันอาจารย์ชะงักไปอย่างมึนงงกับสถานการณ์ตรงหน้าทำไมถึงมีคนแย่งกันเป็นพ่อขนาดนี้หลีหวานผมเป็นพ่อแท้ๆของหลีหวานครับโจเจี้ยนเย่เน้ยนย้ำคำว่าพ่อแท้ๆอย่างชัดเจนในใจของหนูคนนี้ต่างหากแคคือพ่อของหนูหลี่หวานยิ้มให้เจิ้งหยุนฉงอ้อเป็นอย่างนี้นี่เอง อาจารย์ได้ยินดังนั้นก็เข้าใจสถานการณ์คร่าวๆ ว, ว่าคนหนึ่งเป็นพ่อแท้ๆส่วนอีกคนเป็นพ่อเลี้ยงมิน่าหล่ะพวกคุณถึงป้าลูกสาวไดยอดเยี่ยมขนาดนี้คะแนนที่หลีหวานสอบได้ถือเป็นคะแนนที่สูงที่สุดตั้งแต่ก่อตั้งโรงเรียนมาเลยครับผมส่วนตัวคิดว่าต้องเป็นจ้วงหยวนของทั้งอำเภอแน่ๆมหาวิทยาลัยชื่อดังในประเทศนี้เลือกได้ตามใจชอบเลยเสี่ยวหวานคิดไว้หรือยังจะว่าอยากเข้ามาหาวิทยาลัยไหนโจจี้นเย็ดอกขึ้นด้วยความภาคภูมิใจข้อเป้าหมายของหนูคือมหาวิทยาลัยการแพทย์มาตลอดคะหลีหวานตอบตรงๆ อยากเป็นหมอหรือเรียนหมอมันเหนื่อยนะอาจารย์ไม่ได้มีเจตนาอื่นเขาพูดอย่างจริงจังแต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าเธอชอบอะไรคนฉลาดอย่างเธอไม่ว่าจะเรียนอะไรก็ต้องประสบความสําเร็จแน่นอนเรื่องนี้ลูกปรึกษากับแม่หรือยังเรียนหมอก็ดีนะแต่ดูเหมือนจะไม่ค่อยมีอนาคตเท่าไหร่โจเจี้นเยาะพร่งขึ้นมาขัดจังหวะเขาพูดต่อเองเออเองว่าพ่อว่าลูกควรจะคิดดูให้ดีอีกรอบนะ่าจะตัดสินใจโดยพละการไม่ได้เจิ้งหยุนชงทนฟังไม่ไหวจึงสวนกลับไปทันที ตอนเป็นพ่อคนน่าไม่รู้จักดูแลตอนนี้กลับวิ่งเรมมาสั่งโน้นสั่งนี่คุณมีจุดประสงค์อะไรกันแน่ผู้พันเจิ้งนี่ลูกสาวผมคุณคิดว่าผมจะมีจุดประสงค์อะไรได้ผมก็แค่ไม่อยากให้เด็กเดินหลงทางปรับไดที่คุณไม่เข้ามาวุ่นวายกับการตัดสินใจของเด็กๆ ก, ก็ไม่มีวันเดินหลงทางหรอกคุณที่เป็นพ่อเลี้ยงนะี่อย่ามายุ่งเลยตามหลักการแล้ววันนี้คุณไม่มีสิทธิมาที่นี่ด้วยซ้ำคนที่ควรมาคือผมกับแม่ของแกต่างหากเมื่อเห็นว่าทั้งสองคนกําลังจะทะเลาะกันอาจารย์ก็ได้แต่ทําาหน้กกรระะว ลิวันหมดความอดทนโดยสิ้นเชิงเธอพูดกับโจเจียนเย่ยตรงๆว่าวันนี้เป็นวันที่ดีที่คะแนนกาข่าวของหนูออกคุณต้องทำให้มันอับอายในสถานที่แบบนี้ให้ได้ใช่ไหมคนที่ไม่มีสิทธิ์ปรากฏตัวที่นี่คือคุณต่างหากอย่าลืมสิคะว่าถ้าไม่ใช่พระพ่อของหนูหนูและแม่ก็คงไม่รู้ว่าจะตายไปตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วโจเจียนเย่ย เม่ต้องปะทะ ก, กับสายตาชิงชังของหลีหวันหัวใจของเขาก็สั่นสถานอย่างรุนแรงเขาไม่อยากให้ความสัมพันธ์พ่อลูกของพวกเขาต้องกลายเป็นแบบนี้เดิมทีเขาตั้งใจจะมาทําลายบรรยากาศตึงเครียดแต่ผลกลับกลายเป็นว่าทุกอย่างพังพินาศไปหมดเขารู้ดีว่าหากยังอยู่ต่อไปจะยิ่งทําให้ลูกสาวรังเกยียจโจเจี่ยนเยียจึงไม่พูดอะไรอีกพ่อขนูว่าเรากลับกันก่อนเถอะค้าจะได้ไม่ต้องมีคนน่ารําคาญมาคอยพูดจาไร้าสาระอยู่แถวนี้อืมได้สิเจิ้งหยุนชงพยักหน้าเบาๆจากนั้นจึงบอกกับอาจารย์ว่า ขอโทษด้วยนะครับหากมีข่าวอะไรคืบหน้ารบกวนช่วยส่งข่าวไปที่เขตทหารได้เลยครับลำบากคุณอาจารย์ต้องเดินไปอีกรอบแล้วผมขอพาลูกกลับบ้านก่อนนะครับอ๋อได้ครับได้แน่นอนโจจีจ้นี่กลับบ้านไปด้วยอารมณ์ขุนมัวประจบเหมาะกับที่เห็นนิ้วซูเฟินกำลังก่อบหนาหนาด้วยความไม่เต็มใจปากก็พร่ำบ่น ด, าด่าทอไม่หยุดร้องได้ทั้งวันทั้งคืนไม่รู้ว่านางเด็กไร้ค่าอย่างแกจะร้องหาอะไร งานการในบ้านก็ทําไม่ได้สักอย่างแม่ของแกก็เหมือนกันไม่ใช่ของดีอะไรเลยอุตส่าห์เป็นคนมีความรู้เคยเรียนหนังสือมาแท้แต่ตอนนี้กลับหางานดีๆทําไม่ได้ต้องวิ่งโร่ไปล้างจานเป็นเบี้ยล่างให้เขาในร้านอาหารเห่อในตอนแรกโจเจียนเยียไม่ได้พูดอะไรเขาเพียงแต่ยืนฟังแม่ของเขาด่าทออยู่เงียบๆ น, นอกประตูหนิวซูเฟินหันมาเห็นโจเจียนเยียโดยไม่ตั้งใจตกใจจนต้องเอามือรูป อ, อกแกกลับมาตั้งแต่เมื่อไหร่ตกใจหมดเลยเดินเหินทําไมไม่มีเสียงมีสายบ้าง ถ้าผมเดินมีเสียงผมก็คงไม่ได้ยินคําพูดที่แม่ด่าลูกสาวของผมแบบนี้หรอกครับโจเจี้นเย่ยกล่าวด้วยใบหน้าเรียบเฉยสีหน้าของนิวซูเฟินแขงค้างไปครู่หนึ่งก่อนจะแก้ตัวว่าเปล่าแม่ก็ไม่ได้พูดอะไรสักหน่อยแกจะไม่ให้แม่บ่นบ้างเลยหรือไงเด็กคนนี้แม่ก็เลี้ยงดูอย่างดีไม่ได้ให้เจ็บตัวตรงไหนแม่ครับนี่แม่เกลียดลูกของผมขนาดนี้เลยหรือโจเจี้นเย่ยขมวดคิ้วมองนิวซูเฟินด้วยความไม่เข้าใจผมว่าในสายตาแม่ก็คงไม่มีผมที่เป็นลูกชายคนนี้เหมือนกัน สงสัยในใจแม่เองก็คงจะเกลียดผมเข้าใสเลยใช่ไหมครับ